ทันให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจักรพรรดิเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอรัตนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปส ม, ถ, ม, ถ, มถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจั ก, กรพรรดิทุกๆองค์ บารมีรวมพระปัิเจพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอายยะสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมของปู่ดู่มาเป็โยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้ง ม, มวลบริเวณรูปลักษณ์ทิศกบจะทั้งลายไี่สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็ต่างรูปลักษณ์ของปู่ดู่หงปู่ทวดกต่างจั ก, กรพรรดิกต่าง ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกชาติขออันเชิญเทพหกชั้นผมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้นทุกภพทุกภูมสวดกำลังจั ก, กรพรรดิพองกันเพื่อเพิ่มกำลังพทุท ชีวิตธรรมแปูเจนีธรรมังชีวิตธรรมแปูเจนีมมนสังขังชีวิตธรรมแม่ปูเจนีพุทธังวันธามีธรรมังวันธรมิสังขังวันธามิ ครูปชาอาชาริยคุณังวันธามิมาตาปิโตคุนังวันธามิพระไตรศิษฐกุนังวันธามินาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธัสสะ นาโมทัสสะพากาลโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะพากาลโตอะราหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจามิ ขัมังสารังคจามิสังขังสารังคจามิทูติยามติพุทธังสารังคจามิทูติยามติธรรมังสารังคจามิ ภูติยามติสำคังสารังัจามิตาทิยามติพุทังสารังกจามิตาติยาติธรรมังสารังกจามิตาติยามติสคังสารังกจามิ ปาณาติปัสสะเวรามะนีสิกขาปังสัมมาทิยานิอเดนาทานาเวรามะสิกขาปังสัมมาทิยานิอัปปรมะาริยา เวรามนิสิกขาปัตังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรามนิสิกขาปัตังสัมมาทิยามิสุราเมรยามัชะอมาสาธานา เวรามิสิกขาปะทานสมาธิานิอิมานิปัญจิกขาปะธานิทิยาอิอมานิปัญจิกขาปะานิมสมาธิานอิอมานิปัญจิกขาปะธานิม สีเลนะสุขสิ่งยางติสีเลนะภูเสัมปทาสีเลนะเนรุษิ ah ่งยางติอส ah. ัมมาวิโทธานะโมตัสสะปะคะวะโตอาหะสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตสมมาสมปชชะนโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสมมาสมะพุทธังอรสาธานังคารนี นามาสะนาณังการุณินางการุณินามโหติสัตว์อาการจิตมายาอิจิปะโทวานมโหติสัตว์อาการจิมายาอิิะว นาโมพุทธ isatto อาคันติมายะนาโมพทธ isatto ภรมะอันโ a นาโมพุทธ isatto ภรม a อันโยนาโมพุทธ i s a t o ภ a มะอันโยเยโอโทโสโิเต นาพุทัสสินิบาป a ถามายะกาม a นิกะตังโทสังสัปปะอาปังสั a ตุโยโทโสโมหิตเนาธรรมสินิบาปกถามาย a กามันิ กาตังโทสังสัพพภาตังทีน่าสันตุโยโทโสโมหิตเซนาสังฆะิปาปะโตมายาธรรมะติกาตังโทสังสัพพภาตังทนาสัุ นาโมท้าจ่าพะกาวาโตอะโตสามมาสามพุทธะจ่านาโมท้าจ่าพะกาวาโตอราหะโตจ่านาโมท s าจ่าพะกาวาโตอราหะโตสามพุทธะ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรลักณนะยะมามีนุป arat สีสะหาสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆเยหาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาภีธานันวาลังกันทังสิวารีสมหาเถรังอาหังวันธามิสุรโตอาังวันทามิทาติโยอาหังวันธามิสัพพโสภูธาธรรมสังฆูเจนินะโมภูตายะ ราพุทธายะตระยานมหินุกสะรสีสาหาสุตตนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพูทโมนะพุทธามูชาธรรมนาบูชาสังฆาูชาสีธาณวารังคันธ์ชีวารีจามหาเถระ อาหังวันทามิสุลโตอาหังวันทามิทาสิโยอาหังวันทามิสัพะโสพุทธะธรรมะสังฆาภูเชนินาโมพุทายาพุทธะไตรปายามมานีนาราสิสะหาสุตัา พุตโตธรรมโมสังโฆยะถาอุตโมนะบูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาชีธานวะรังตันทันชีวลีสัมหาเหสรางอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิอาติโย อาังวันทานิปปัสสกพุทธาธรรมะสังฆูตนินโมพุทธายะาพุทธะตายาโมภะรสีสาหาสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะาพุทโณ บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาชีธางวารังตังชีวารีสัมมาเหราอาหาวันทาณิสุรโตอาหาวันทาณิอาทโยอาหาวันทาณิส ah ัพพโสบูชาธรรมะสังฆูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธายะตนะญาณมาหินอภารัตสีสะหาสุสัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอูสุนาปุถะปุถะธัมมะปูถาสังฆปูถาสีธางวะรังคันธัง สีวะริมหาเถระอาหังวันทานิสุรโตอาหังวันทานิอาเโยอาหังวันทานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปุถิญินาโมพุทธายะวะพุทธะไตรยามะหนั่นาโมภะระ สีสาหาสัจธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพูทโมนะบูธามูชาธรรมะมูจาสังฆบูชาสีทาหนังวารังตังสีวะริจนะหาเถรงอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิคาติโย อาังวันธานิตัสโสพธะธรรมะสังฆเชนินาโมพทธายะพระพุทธไตรยปณายามณีนพรตสีสาหาสุัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณ บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทางวารังคันธ์สีวลีสังหาเถระอาหังวันทานิสุรโกอาหังวันทานิอาติโยอาหังวันทานิสัพสุภูธาธรรมะสังฆูเชนิ นาโมพุทหายะญาตุทัตัยมาตินาสนานาหีนารัสสีสาหาสัจธรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุททาพททาธรรมนาพุทาสังฆาพุทาสีทางวารังปัญฉัง สีวะริจามาหาเถระอาหังวันธานิสุรโตอาหังวันธานิธาติโยอาหังวันธานิสะโสุภูต้าธรรมะสังฆภูเธนิณโมภูตายาราภูต้าไตรตระยานมานีโนภระ สีขาชาตุสังมาพุทโธธรมโมสังโฆยะาพูทโนะบูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีธางวารังตังศีวารีจาราหาเถระอาหังวันทาณีตุระโตอาหังวันทาณีอาติโย อางวันธานิปปัสสุภุทธาธัมมะสังฆูเชนินาโมภุธายะราพุสทัยยตนะยาณมณีนภนัสสีสาหาสุตธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะธาภุสโมนะ บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาชีธางวารังคันธ์ชีวรีสังฆาเสนาอาหารวันทามิสุรโตอาหารวันทามิทาุโยอาหารวันทามิสัพพโสบูชาธรรมะสังฆบูเชนี นาโมพุทธายะรัตพ ma. ุทธาไตรยตนะญาณมาอีนรตสีสาหาสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุตโมนะพุถะปุถะธรรมาปุถสังฆาปุถะีทานังวะรังตัง สีวะริสังหาเสระอหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิธาติโยอาหังวันทามิสัพะโสพุทธะธรรมะสังฆาปุชฌนินาโมพุทธายะวะพุทธะไตรยตระยาน ม, มาหีนุปรัต สีสาหาตาสุธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพูทโมนะบูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทานังว่ารังตังศีวะริมนะหาเถระอาหังวันทานีสุรโกอาหังวันทานิอาตุโย อวันทานิปปสุภูธาธรรมสังฆูเชนินาโมภูตายะลาภูธาไตรลาานญานาโมภราติสีสหาสุตมาพุทโธธรรมโมสัโฆยถาภ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 นาโมพุทธายะพระพุทธายะตนะยานมาฮิโนสารสีสาหาสุตัมมะพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพูทโมนะบูชาบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาสีธานังวารังตัณฑ์ สีวะริสาเถระหาหังวันธานิสุระโตอาหังวันธานิอาติโยหาหังวันธานิตัโสะโตพทธาธรรมะสังฆาปุชนินาโมพุทยะราพุทธะไตยาานาโมพะระ สีสาหาสาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาอุโมนะบูทา <McConnell> <ations> ูทาธรรมะูชาสังฆูชาสีทานังวารังตังศีวริจามหาเสนาอาหังวันธานิสุรโตอาหังวันธานิทาตโย อาหังวันธานิปปัสสุภูตธาธรรมะสังฆูเชนินาโมภูตายะพระพุทธไตรยตระนัตาณมะนีนอบาระตสีสาหาสุตัมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโณ บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทางวะรังคันั์ชีวารีสังหาเถระอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทตุโยอาหังวันทามิตัสโสรบูชาธรรมะสังฆบูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธายะตนะญาณมาในโนปรสีสาหาสุตธรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุตโมนาพุทาโมาธรรมนาโมาสังฆาโมจาขีธาณวารังปันทัง สีวล so. ีสัมหาสีังอาหังวันธานิสุรโกอาหังวันธานิอาติโยอาหังวันธานีอภัสโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเตกนินาโมพุทธายะพระพุทธเจตระหนัยามไม่มีนกรา สีสาหาสุธรามะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพูทโมนะปูทาบุทาธรรมะบุทาสังฆบูทาสีทานังวารังทังชีวารจามหาเถระอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิพาุโย <im> <Southern> <vorstellen> อาหังวันทานิสปะโสภุดาธรรมะสังฆูเชนินาโ r ภุดายะราภุดายะตนะยานนาโมภุดายะราภุตโมสังโฆยะถาภุดโมนะ โอชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาหนังวันทันทางศิวะรีสัมมาหเสระอาหังวันทานมิสุรโตอาหังวันทานมิทาตโยอาหังวันทานมิสัพปะโสโอชาธรรมะสังฆาอเชนี เอาแพร์กำหนดไปทั้งสามแดนโลกาชาติกำหนดไปที่บิดามารดาและหมย่าทั้งหลายผู้นี้ก็คุณผู้ติเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเรนียสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังกาพาลักปตาปเจกานันจะยังพลัง ฮลหันตานันจ่เอเจนารังอะปัสสุตัพเจพุทธะตัพเจธัมมาตัพเจสังฆะฮาลัสตาปัจเจกานันจะยังพลังฮาาหันตานันจะเอเจนารัง สัเจพุทธะสัจเจธรรมาสัจเจสังฆะอาลับสัจเคสัจเจกานตะยังตะขังตานันสัจเจเฉลารับขังปันธานิปปัสสุสัจเจพุทธะสัจเจธรรมาสัจเจสังฆะ อาตาปาเจกานันจะยังพลังอาลหันกานันจะเจเสนารักฐานปัญญามิสัพสุชาเจพุทธาชาเจธรรมาสาเจสังฆาอาตาปาเจกานันจะยังพลัง อาลาหันสานานจาเอเชนารับถังปันทามินนสสะพุทธังอาธิษฐานิธรรมังอาธิษฐานิสามังอาธิษฐานิ อาธิษฐานถ้าในฐานรวมกําลังจั ก, กรพัทธิเราสวดทุกวันเวลาสับเทช่างให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมาเรากดหรือพระชีวนาพระเมนพระที่ทรงเครื่อง ม, มันเป็นรูปลักษณ์ของจั ก, กรพัทธิหรือพะาาระอรหันต์ ขอบารมีหลวงปู่ดูท่านขอท่านรวมให้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแผ่ไปให้งสามแดนโลกธาตุแผ่ให้ประเทศไทยดูที่แผนที่แผ่ให้พระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันแผ่ให้ตัวเองนะรับ พุทธาสัพเพธรรมารัพเพสังกาภาระปัจจาระเจกานันจะยังเวลานาราหันตานันจะเอเจนาระคังพันตานิสัพพะโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆะอระปัสสาปเจกาลิยังปังอาระหันจานันจเอเจนะรักขังปันธานิสัพพโส พุทธาสัเสสัมมาสัตตสังขาราลาปัสสาปเชตานันเจยังวะรังอารันตาณสัตเจนารักขันมิสัปปโสพุทธังอธิฐานิธรรม ที่ทำเสร็จแล้ววันๆนึงเนี่ยนะเรามีทั้งบุญและบาป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 มันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอสนสวดสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำรังรวมหลวงพ่อหนูครับพรมะเป็นโยขอท่านรวมบุญกุศลบุญบา ร, รมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาสร้างแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ทานศีเนฆะคัมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิทาเมตตาอุเบกขาและทัศพารเมีเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังธา พระรัตปตาเจกานจะยังภรังอาราหัสนันจเจเจนารักขังนิสปัสสุส <EN> <t ied wra ith> ัตตพุทธาสัตติธรรมาสัตติสังขา ปัตตาปเจตานันจะยังผรางอาราหังตานันจาเจเจนารักขังปัญธานิสปะโสสาเพพุทธาสาเพยธรรมาสาเพสังฆาทาลาปัตตาปเจตานันจะยังผราง อาหันตานาสติสินารังทามิสปัสโซสัตติโทชาสัตติธรรมาสัตตสังขา a าปปัสสะปัจเจตานันติยังวะรัง อาหันตานาตเอเสนารักขังนิสปัสสสัเพพุทธะสัพเพธรมสัเสังขารปัสสสัพเามัญังวะ นะระหันตานะสะอิสระอาตัิสัตสุภูตังาติสามอาติสาิสังขังอาติาิ